คือเห็นชอบในทุกข์สมุทยัยนิโรธมักจนเกิดเป็นญาณรู้ว่าทุก์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรเจริญและญาณคือความรู้ข้อที่สามบังเกิดขึ้นว่าทุก์ที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้ว สมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วแต่โดยหลักของการปฏิบัติจริงๆแล้วจะพบว่าในอริยสัจทั้งสี่ประการนั้นขั้นของการรู้บุคคลจะต้องรู้ทั้งหมดแต่ว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้น มาจากการปฏิบัติตามองอริยมรรคทั้ง8ปประการองค์อริยมรรคทั้ง8ประกา ร, ร, ก ร, การจึงทรงเรียกว่าภาวตปรธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องเจริญจะต้องกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นหลักพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั้งมวลสรุปรวมลงในอริยมรรคมีองค์8ประการทั้งหมด สำหรับในที่นี้จะพูดเฉพาะประเด็นของการรู้อริยมรรคมีองค์8ประการในยะหนึ่งท่านได้แสดงไว้เป็นสองช่วงช่วงแรกเป็นเรื่องของปริยัติคือหมายความว่าบุคคลจะต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนั้น คือหลักธรรมที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติในช่วงที่สองนั้นเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติซึ่งได้แก่สมถะและภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนานั้นเป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันไป เพราะอริยมรรคในองค์แปดประการเริ่มต้นมาที่ปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจนาดังที่ว่ามาแล้วอริยมรรคจึงเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ในที่นี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ก็เพระเหตุว่าบุคคลจะก้าวไปถึงขั้นของสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานนั้น ศีลคือปกติกายปกติวาจาของบุคคลนั้นจะต้องสมบูรณ์ดีแล้วเพราะทรงแสดงไว้ว่าศีลที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมทําสมาธิให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้น และปัญญาที่บุคคลอบรมกระทามไม่มากแล้วย่อมชำระศีลชำระสมาธิของบุคคลให้บริสุทธิ์หมดจดจยิ่งขึ้นไปจนถึงกับบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ถึงแม้ว่าอริยมรรคจะมีองค์8ปประการก็ตามแต่เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้ว อริยมัติมีองค์แปดประการก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติไปแล้วเช่นเดียวกันสมถกรรมฐานคืออะไรสมถกรรมฐานแปลว่าการงานทางใจที่มุ่งเน้นไปในด้านทำจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบเป็นที่ตั้งตันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารามณูปนิชานคือการเพ่งอารมณ์ อารมณ์ที่นำมาเพ่งนั้นบางครั้งก็เป็นการเพ่งด้วยจิตคือกำหนดจิตระลึกเอาบางครั้งก็เป็นการเพ่งด้วยตาคือตาดูจิตกำหนดในอารมณ์หล่นั้นตั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ที่นำมาเพ่งพินิษนั้นเป็นอะไรอย่างในกรณีของอาณาปานสติ กรรมฐานที่กำลังปฏิบัติกันอยู่นี้นอกจากจะเป็นการกำหนดด้วยใจแล้วยังอาศัยรู ป, ปวัตถุคือลมที่มากระทบริมฝีปากหรือปลายจมูกบุคคลมีสติระลึกรู้จุดที่ลมกระทบอยู่นั้นตั้งหายใจเข้าและหายใจออกส่วนวิธีปฏิบัติจะใช่วิธีไหน ในวิธีทั้งหลายที่ท่านได้แสดงเอาไว้ผลก็จะบังเกิดขึ้นโดยทำนองเดียวกันคือใครจะใช้ตั้งสติระลึกตามลมหายใจเข้าออกไปหรือว่าใช้ภาวนาหายใจเข้าว่ะพุทธหายใจออกว่ะโทรหรือจะใช้วิธีนับลมเป็นคู่ๆจากคู่ที่ชุดที่หนึ่งถึงหถึงจากหนึ่งถึงส0ไป หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะตั้งลมเป็นฐานเอาไว้ที่ร่างกายหรือว่าการดูเฉพาะจุดที่ลมกระทบเพียงอย่างเดียวแต่และอย่างนั้นเป็นการโน้มน้อมจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบนี่แสดงว่าจะต้องอาศัยจิตกาหนดด้วยแล้วก็อาศัยวัตถุที่เข้ามากระทบด้วย แต่อารมณ์บางอย่างนั้นเป็นรู ป, ปรวัตถุโดยตรงบุคคลผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องหลับตาแต่ก็ใช้ลืมตาดูเอาท่านเรียกว่ากระสินกระสินนั้นมีอยู่ด้วยกันสิบอย่างคือดูดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าวันนักกระสินตลอดถึงว่าดูสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว ซึ่งตามปกติสีเหล่านั้นจะไม่ไกลจนเกินไปแล้วไม่ใหญ่จนมากนักเพ่งดูที่รูปเหล่านั้นคือจะดูดินน้ำลงไฟซึ่งเรียกว่าธาตุกสิณหรือจะดูสีที่เรียกว่าวันณ ก, กสิณก็ตามหรือแม้แต่ดูช่องว่างต่างๆในบ้านของตนเช่นช่องว่างทางหน้าต่างช่องว่างทางซึ่งไม่กว้างจนเกินไป ให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์หล่อนั้นโดยปกติแล้วจะลืมตาเพ่งดูกันไปกว่าภาพนั้นจะติดตาแล้วทดลองหลับตาดูไปก็จะเห็นภาพนั้นเช่นเดียวกับลืมตาดูนี่แสดงถึงว่าผลของการปฏิบัติได้ก้าวไปแล้วในชั้นแรกท่านเรียกว่าบริกรรมนิมิตคือนิมิตในการบริกรรม ลืมตาดูพกชั้นที่สองเรียกว่าอุกขะนิมิตคือนิมิตนั้นติดตาจะลืมตาหรือหลับตามีค่าเท่ากันคือเห็นภาพนั้นเหมือนกันในช่วงนี้ท่านก็ใช้การปิดตาแล้วต่อไปสามารถที่จะน้อมนึกด้วยใจขยายภาพที่ติดตาอยู่นั้นให้เล็กให้ใหญ่ได้ตามที่ตนต้องการ ในช่วนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตหรือใช้หลับตาเช่นเดียวกันและเมื่อปฏิภาคนิมิตแก่กล้าแม้จะลืมตาก็สามารถสร้างภาพขึ้นแล้วก็ยอดส่วนขยายส่วนภาพเหล่านั้นได้แต่จะถามว่าการกระทําเช่นนี้ให้ประโยชน์อะไรให้ประโยชน์ในการทําจิตให้สงบอยู่ที่ดวงเหล่านั้นที่นิมิตที่กรสินเหล่านั้น จิตไม่แว่งไม่สัดใสไปในที่อื่นส่วนในช่วงสุดท้ายคือเป็นสมาธิเป็นฌานนั้นเหมือนกันอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการน้อมนึกโดยเฉพาะคือใช้ใจน้อมนึกก่าเองสิ่งที่นำมาน้อมนึกนั้นท่านใช้คำว่าอนุสติซึ่งสแปรตามรูปศัพท์จริงๆแล้วคือการตั้งสติตามระลึก หรือระลึกตามสิ่งเหล่านั้นทรงแสดงเอาไว้สิบข้อด้วยกันเช่นว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าบุคคลอาจจะน้อมนำพระคุณข้อใดก็ได้ขึ้นมาระลึกและการระลึกนั้นให้สังเกตว่าจะมีผลเป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรก ทำจิตใจของผู้ระลึกให้เกิดความสงบเช่นว่าภาวนาบพุทโธอาราหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามใจก็จะสงบหรือแม้แต่บริกรรมบทว่านโมตัสสะผลก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการเสริมสร้างศรัทธาปสาทะคือความเชื่อความเลื่อมใส ในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นภายในจิตใจของตนแต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจในยะหรือความหมายของพระวุทธคุณแต่ละบทเพราะถาหากวานึกไม่ออกความเชื่อความเลื่อมใสก็เกิดขึ้นไม่ได้จะต้องเข้าใจในยะว่าอารหังหมายความว่าอย่างไง สมาสัมพุโทโธหมายความว่าอย่างไรวิชาเจานะสัมปันโนหมายความว่าอย่างไรเป็นต้นน้อมนึกได้เห็นได้มากเพียงใดศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตมากเพียงนั้นในช่วงที่สามนั้นเป็นเหตุให้น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าพราะประคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อนั้นในชั้นหนึ่ง บุคคลทั่วไปที่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐพิจนาพอสมควรสามารถจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้และการระลึกวิธีนี้อาจจะเป็นระลึกถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์หรือคุณแห่งศีลของตนเช่นท่านสาธุชนทั้งหลายสมาทานศีลไปแล้วตั้งแต่เช้าก่อนจะนอนก็น้อมนึกว่า หลังจากรับศีลเป็นต้นมาศีลที่รักษานั้นมีความบกพร่องผิดพลาดอะไรหรือไม่ถ้าหากว่าเห็นความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลตั้งแต่เริ่มสมาทานมาจนถึงจิตไปน้อมนึกถึงศีลนั้นพอเห็นความหมดจดความศรัทธาปีติปราโมชก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตเป็นการเสริมสร้างอิทธิบาท คือทางแห่งความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติที่สูงขึ้นคือจะมีฉันทะความพอใจในการรักษาศีลมีวิริยะความเพียรพยายามในการรักษามีจิตตะเอาใจใส่สนใจสอดส่องระมัดระวังและก็ใช้ปัญญาไปพินิจพิจารณาตรวจสอบผลคือความสงบก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับวิธีสมถกรรมฐาน จึงมีอารมณ์ในสามลักษณะดังนี้คือว่าอาศัยวัตถุบ้างอาศัยน้อมนึกเอาบ้างแต่ว่าจะอาศัยวัตถุหรือน้อมนึกก็ตามสติความระลึกได้สัมปัญญะความรู้ตัวและความเปลี่ยนพยายามชื่อว่าเป็นอุปการธรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งพระตถาคตว่าคาธรรมะทั้งสามประการนี้เป็นหลักแล้ว ความส ง, งบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมความเพียรพยายามเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนั้นจะต้องสูงกว่ารูปธรรมเพราะรูปธรรมจะจับไปตั้งไปวางไว้ที่ไหนก็ได้แต่ว่านามธรรมโดยเฉพาะจิตแล้วดิ้นรนกวัดแขวงห้ามยากรักษายากถ้าหากว่าความเพียรย่อนสติเป็นไปไม่ตลอดมีความเผลอเรอบางเกิดขึ้น หรือสัมปชัญญะรู้ไม่ทั่วถึงรู้ไม่ทันความสงบก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าใครก็ตามที่อาศัยธรรมะทั้งสามประการนี้แล้วน้อมรำลึกถึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้กล่าวแล้วผลคือความสงบก็จะบังเกิดขึ้นและเมื่อความสงบบังเกิดขึ้นด้วยผลของสมถกรรมฐานนั้น กิเลสซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจที่เรียกว่า น, นิวรณ์ทั้งห้าประการก็จะเกิดส ง, งบไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านมาถึงช่วงนี้แล้วบุคคลก็จะประจักษ์ด้วยใจตนเองว่าอาการทางกายทางว จ, จาของตนก็สุจริตไม่มีการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะประกอบด้วยศีล อาการทางจิตซึ่งเคยถูกกิเลส ท, ที่เรียกว่านิวรรคุ้มรุมใจก็จะเกิดสงบระงับลงพระองค์แห่งฌานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานบังเกิดขึ้นแล้วสงบนิวรรคเหล่านั้นลงไปต่อแต่นั้นก็จะน้อมใจก้าวไปสู่ขั้นของวิปัสสนาปัญญาคาว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ่มแจ้ง หมายถึงเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาเป็นการประจักษ์ชัดด้วยปัญญาตนไม่จะเห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยตาปัญญาลักษณะของวิปัสสนานั้นตัวอารมณ์ที่น้อมมาพิจารณาก็มีลักษณะคล้ายๆกับสมถกรรมฐานเหมือนกันแต่เน้นหนักไปในด้านรูปวัตถุ ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะยึดติดอยู่ในขันธ์ทงห้าเป็นพื้นถึงแม้ท่านจะกระจายอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานออกไปถึงเจดสิบสองอย่างก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของรูปกับนามรูปนานหมายถึงสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายส่วนที่เป็นนามนั้นคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจคือรู้ด้วยใจอย่างเช่นศรัทธาความเชื่อเป็นนามเวทนาการเสวยอารมณ์เป็นนามสัญญาความจําเป็นนามเพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจส่วนเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผพิตภัณนั้นเป็นรูป พระกระทบด้วยประสาทสัมผัสหอย่างที่ว่ามาแล้วกรรมฐานส่วนวิปัสนากรรมฐานนั้นท่านเรียกว่าการจำแนกพินิษพิจารณาหรือลักคนูปนิชฌานการเข้าไปเพ่งลักษณะของสิ่งเหล่านั้นจนยกตัวอย่างว่าขัานหก็ให้ดูลักษณะของขันห้า ว่าโดยลักษณะแล้วสิ่งที่เป็นรูปทั้งหลายนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแม้แต่ช่วงของการดำรงอยู่แห่งรูปและนามทั้งหลายนั้นก็เป็นการดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเอง บางอย่างดำรงอยู่น้อยเล็กเกินบางอย่างก็ดำรงอยู่ได้มากหน่อยแต่ว่าจุดสุดท้ายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จะจบลงด้วยความแตกตับในเรื่องในในที่สุดดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ให้บุคคลมองเห็นความจริงในส่วนนี้อย่างที่ พระท่านนำมาพิจารณาทาาศพที่เรียกกันว่าบางสกุลที่จริงคาถาบางสกุลนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาปัญญาโดยเจตจำนงจริงๆก็ให้อาศัยทาาศพเป็นสื่ในการเรียนรู้สัจจะของชีวิตต่อมาก็ออกจเจือเรือนหายเป็นรูปของประเพณีไปในบทพิจารณานั้นท่านแสดงว่า สังขารทางหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปใจที่เข้าไปสงบระงับในสังขารท้งหลายเหล่านั้นได้เป็นความสุขนี่คือข้อความที่พระท่านว่าเวลาชักบางสุกลุล ข้ น, นี้เป็นการเชีย่ยเห็นถึงความจริงแห่งสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยปรุงแต่งและตัวย่อยคือปัจจัยนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระเกิดขึ้นแล้วมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยะที่กล่าวมาแล้วและในที่สุดเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะหันหน้าเข้าสู่ความเสื่อมโดยลาดับ แม้ชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดมาก็ประสบความเสื่อมมาในลักษณะต่างๆชั้นของความเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นความเสื่อมเช่นเดียวกันแต่ความเสื่อมในช่วงนี้ส่วนมากเป็นที่นิยมยินดีของคนทั่วไปใครจึงไม่ค่อยติดใจในช่วงนี้มากนะักส่วนในช่วงช่วงหลังคือช่วง ที่ความแก่ปรากฏเด่นชัดขึ้นความเสื่อมเหล่านั้นก็เด่นชัดขึ้นและเป็นความเสื่อมที่ใครไม่ปรารถนาดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจินิพิพิจารนาว่าสังขารทั้งหมดนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสุขอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขารนั้นจะมีได้ก็ด้วยการทาจิตของตนให้ส ง, งบระ ง, งับจากความยึดถือ ถ้าจะถามว่าความยึดถือในอะไรความยึดถือว่าเป็นของเราในสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นสิ่งของก็ตามสิ่งอะไรที่บุคคลเข้าไปยึดถือเอาไว้ว่าเป็นของเรานั้นจงก่อให้เกิดโทษโดยส่วนเดียวไม่มีความยึดถืออะไรที่ไม่เกิดความทุกข์ อย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเป็นนั้นไม่มีอย่างนี้แล้วในชั้นต่อไปก็คือว่าบุคคลจะต้องปล่อยวางความยึดถือในความเป็นต่างๆให้เห็นว่าความเป็นในด้านต่างๆไม่ว่าจะโดยเงื่อนไขาทางสังคมที่กําหนดแต่งตั้งกัน หรือว่าการได้ฐานะมาจากกําเนิดมาจากสกุลมาได้การจากการศึกษาและเรียนของตนหรือการประกอบกิจการงานของตนเป็นตน้นจะค่อยๆสร้างความรู้สึกอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นแล้วมานาะความถือตัวจนถึงก็ดูหมิ่นคนอื่นเหยียดหยามบุคคลอื่นก็จะติดตามมาแต่ก็ให้ปล่อยวางเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังขาร เมื่อแกเกิดขึ้นได้แกก็เสื่อมไปแล้วในที่สุดก็ต้องแตกดับไปการได้ฐานะต่างๆนั้นเมื่อได้มาแล้วมันก็เหมือนกับการแสดงละครพยายามแสดงให้สมบทบาทให้มากที่สุดคือหน้าที่อันใดที่ตนจะต้องจัดต้องทำตามฐานะตำแหน่งเหล่านั้นก็จัดทำไปให้สมบูรณ์นี่ถือว่าเป็นความถูกต้องในขั้นของการดารงชีต แต่ถ้าหากว่าไปยึดติดเอาจริงเอา จ, จังในความเป็นในด้านต่างๆแล้วความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าความยึดถือประการต่อไปนั้นเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิหรือความคิดเห็นว่าตัวตนเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นต้นจนมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวเองจะไม่มีความแตกตัา ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วซึ่งว่ากันตามกฎธรรมชาติก็ใกล้ความตายเข้าไปมากแล้วแต่คนก็ไม่ยอมรับความจริงส่วนนั้นมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าตนจะอยู่คำฝาปล่อยให้มัวมอประมาทในวัยในชีวิตของตนพระพพานเวลาของตนไปทรงสอนให้ทาใจให้ส ง, งบจากอานาจของกิเลสเหล่านั้น เมื่อกิเลสเหล่านี้ส ง, งบไปหรือว่าหมดสิ้นไปจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ตามผลคือความส ง, งบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นเพราะมารู้เท่าทันความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายในช่วงต่อไปแม้จะไปเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็จะมองเห็นว่าสักเตวะรูปสักเตวเสียงสักเตวกลิน่นสักเตวะรสสักเตวสัมผัสเท่านั้น ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราและด้วยการปฏิบัติตามนยะนี้เมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วมักมีองค์8ปประการซึ่งกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาก็จะเข้าถึงความสมบูรณ์เมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วญาณคือความรู้ก็จะผุดขึ้นบังเกิดขึ้น แต่ว่าความสมบูรณ์ในอริยมรรคนั้นมีอยู่หลายชั้นตามปกติก็มีอยู่สมชั้นชั้นแรกคือศีลสมบูรณ์ที่สุดสมาธินั้นสมบูรณ์พอประมาณปัญญาพอประมาณญาณคือความรู้ในอริยรรสัจรีก็จะเกิดขึ้นในชั้นหนึ่งทำลายกิเลสออกไปได้สมอย่างด้วยกันคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขา ความลังเลสงสัยการถือมั่นด้วยศีลและวาดต่างๆก็หมดสิ้นไปบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานท่านเรียกชื่อว่าประสดาบันบุคคลในชั้นหนึ่งนั้นศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณคือสูงขึ้นหน่อยหนึ่งปัญญาก็สูงขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์ราคะโทสะโมหะเบาลงจากกิจใจของบุคคลนั้น ทำให้บุคคลนั้นเข้าถึงความเป็นพระริยะระดับที่เรียกว่าสักกทาคามีหรือส ก, กีทาคามีแปลว่าผู้จะมาเกิดอีกชาติเดียวต่อไปก็จะบำเพ็ญเพียรแล้วบรรลุอรหัตเป็นพระหันไปเลยถ้าหากว่าสมาธิสมบูรณ์ศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณญาณคือความรู้จะบังเกิดขึ้นในชั้นหนึ่ง ทำลายกิเลสเพิ่มขึ้นไปอีกสองกองคือการมราคะความกำหนัดในวัตถุกรรมและปฏิฆะความกระทบกระทั่งไม่พอใจก็จะหายไปท่านผู้บรรลุจะได้ชื่อว่าอนาคาซึ่งแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกต่อไปจะไปบังเกิดในชั้นสุดทาวาสแล้วนิพพานในที่นั้นถ้าหากว่าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์พร้อมหมด ญาณคือความรู้ก็สว่างได้เต็มที่ในชั้นในท่านผู้ได้รู้อริยสัจสีก็จะเป็นพระอระหรันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หักกรรมของสังสารวัจรได้เป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาเพราะฉะนั้นกิเลสที่มีชื่อต่างๆซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นว่ารู ป, ปราคะความกำหนัดในรู ป, ปรวัตถุทั้งหลายตลอดถึงรูปรชาน อรู ป, ปราคาความกำหนัดในสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายตลอดถึงอรูปภิจันมานะความถือตัวอุทจจะความฟุ้งสั้นและทำลายกองอวิชชาซึ่งเป็นรากมูลรากของกิเลสทั้งหลายให้หมดไปชื่อว่าเข้าถึงที่สุดแทงพรหมจันทร์อันเป็นการแสดงเห็นว่าความรู้อริยสัจสี่นั้นในขั้นของการรู้บุคคลต้องรู้ทุกอย่างอย่างที่ได้ว่ามาแล้ว แต่เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติมรรคสมบูรณ์มรรคที่สมบูรณ์นั้นเองจะทำหน้าที่สร้างนิโรธซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างให้บังเกิดขึ้นและนิโรธที่ปรากฏขึ้นนั้นจะทำลายสมุทัยให้ดับไปเมื่อสมุทัยคือเหตุเกิดแทงทุกข์ดับความทุกข์ก็ชื่อว่าดับไปด้วยข้อนี้ท่านผู้ฟังพึงพิจารณาดูว่าเช่นเดียวกับการรักษาโรค ทุกนั้นเปรียบเหมือนอาการของโรคสมุทัยเปรียบเหมือนสมุทรฐานโรคนิโรธเหมือน ก, รการหายจากโรคมักเหมือนกรรมวิธีในการเยียวยารักษาโรคหมอต้องรู้ทั้งอาการทั้งสมุทฐานทั้งความการหายจากโรคและวิธีในการรักษาโรคแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วจะต้องปฏิบัติเพียงกรรมวิธีในการเยียวยารักษาเท่านั้น เมื่อรักษาลงไปแล้วโรคเหล่านั้นหายไปสมุทฐานทั้งหลายก็หายไปอาการทั้งหลายก็หายไปหรือว่าดูตัวอย่างให้เห็นได้ชัดก็คือว่าเหมือนกันในห้องนี้ที่มืดอยู่บุคคลต้องการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในที่มืดอันเปรียบเหมือนกับความทุกข์ความมืดก็เหมือนกับสมุ ท, ทยัยแสงสว่างก็เหมือนกับนิโรธมรรคก็เหมือนกับการเปิดสวิตไฟ หน้าที่ของคนเพียงเปิดสวิตไฟเท่านั้นเองพอแสงสว่างบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความมืดสิ่งที่เราไม่เห็นก็จะปรากฏบังเกิดขึ้นการปฏิบัติมัสมีผลในการขจัดกิเลสโดยนัยะที่ได้กล่าววันนี้ต่อต่นี้ไปพึงตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป